บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมาฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้พูดมาในหมวดที่เรียกว่าอายตนป ะ, ะปปะคือหมวดที่ว่าโดยอายตนะภายในาอายตนะภายนอกคือเวลาตาเห็นรูปฟังเสียงเป็นต้นจนถึงใจตรึกนึกถึงอารมณ์นั้น ทรงสอนให้ตรวจสอบดูจิตในแต่ละขณะว่าในขณะที่ประสบกับอารมณ์ภายนอกนั้นไปในใจเรามีกิเลสที่ในที่นี้ทรงใช้กำบะสังโยชน์ข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าเกิดขึ้นก็ได้รู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วเพียนพยายามที่จะลดละเปียนพยายามที่จะป้องกัน พยายามที่จะดับตามกำลังความสามารถในแต่ละขณะการเรียงกิเลสเป็นการเรียงโดยวิธีการที่แตกต่างกันลำดับชั้นก็มีความหยาบลางละเอียดเป็นส่วนใหญ่จะเรียงกิเลสประเภทโลกดลง แต่การเรียงสังโยชน์นั้นเป็นการเรียงตามสภาพจิตแในประเภทกิเลสที่พระยะบุคคลท่านละได้เด็ดขาดเพราะฉะนันจะพบว่ากิเลสสามห้าข้อที่กล่าวมาโดยลำดับนั้นสามข้อแรกเป็นอาการของโมฆะคือความเข่าหรือความหลงความไม่รู้เห็นตามความเป็นจริง แต่ดังที่เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่ากิเลสนั้นม่นมีการผสมกันอยู่การพูดจึงพูดอาการที่เด่นชัดในขณะนั้นๆต้น น, นองคล้ายๆกับในขณะที่เราสัมผัสความเย็นที่จริงก็มีความร้อนปนอยู่เพียงแต่อาการที่เด่นชัดในขณะนั้นก็คือเย็นแต่เมื่อความเย็นลดลงไปอาการของร้อนก็จะปรากฏ อีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของความร้อนปัญสังโยชน์คือกิเลส ท, ที่ปลุกใจสัตว์ข้อแรกที่ส่งใช้คำวมาสักกายทิฐิแล้วความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนถือเราถือเขาเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาแล้วกระจายออกไปทั้งมุมกว้างและก็มุมลึกมุมกว้างนั้นคือใจจะไปเกี่ยวเกวาะ ในขณะเดียวกันก็มีการแบ่งแยกกลายเป็นเรากับพวกเราแล้วกลายเป็นเขากับพวกเขาเราก็แบ่งแยกปกติธรรมดามันก็ไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไร่แต่ถ้ามีการแบ่งแยกรุนแรงก็จะเกาะกลุ่มระหว่างพวกเราเพื่อทำลายพวกเขาก็กลายเป็นศึกสงคราม บางครงรุนแรงจนถึงกับมีการล้างเผ่าพัน์กันอาการที่ปรากฏนั้นเึ็สังเกตว่ามันมีทั้งโลภะทั้งโธสะทั้งโมหะการที่บุคคลคิดว่าเป็นเราเป็นเขาหรือเป็นตัวเราตัวเขามันก็คิดผิดมาตั้งแต่ต้นแสดงเห็นว่าเป็นอาการของโมหะความเป็นเราเป็นเขาหรือเป็นพวกเราพวกเขาที่จริงเป็นเรื่องสมมติกัน สมมติที่เห็นได้ค่อนข้างชัดเจนก็เหมือนการเล่นกีฬาหรือว่าการแสดงหนังแสดงละครต่างๆก็แล้วแต่มีการสมมติกันในขณะนั้นๆในบทหนึ่งในเรื่องหนึ่งคนกลุ่มหนึ่งอาจจะเป็นพ่อแม่ลูกกันพอไปแสดงอีกเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นคนไม่รู้จักกันแสดงอีกเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นศัตรูกันอาจจะย้อนกลับมา เป็นวงศาคณาญาตการเป็นตนซึ่งแสดงเห็นว่าทั้งหมดก็เป็นเรื่องของการสมมตุติความเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาเป็นการสมมุติในช่วงยาวๆสบาบได้ที่ใจยังมีกิเลสประเภทนี้อยู่การยึดมั่นหรือมั่นในแนวนั้นก็มีอยู่ซึ่งในทางวิชาชนาเองแม้จะมีการสอนผลระดับสูงสุด คือไม่เป็นเราเป็นเขาไว้แต่ะดับศีลธรรมจัร ญ, ญาก็สอนเรื่องความเป็นเราเป็นเขาแต่คุมไม่ให้คิดรุนแรงออกไปจนถึงแบ่งแยกแล้วก็ทำลายล้างในขณะเดียวกันก็พยายามเสริมสร้างจิตสำนึกให้คนมองเห็นว่าเป็นสรพพชีวิตรือเป็นสรพพสัตว์ พุทธศาสนาเป็นศาสนาดียวที่อมองสัตว์ไปชีวิตโดยอาศัยพื้นฐานคือการมีลมหายใจไม่่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นสัตว์กี่เท้าไม่มีเท้าหรือ ม, ม, ม, ม, มากเท้าก็ตามท่านกําหนดกฎเกณฑ์เอาที่ปานะคือลมหายใจจึงมีบทบัญญัติห้ามทาลายสิ่งที่มีปานะเรียกปานาติปานะ คือ ท, ทำลายสิ่งที่มีลมหายใจนั้นแสดงเห็นว่าที่จริงก็ยอมรับความเป็นเราแล้วเป็นเขาแต่มีการสำรวมระวังไม่ให้ไปทาลายล้างเขาแสดงความรู้สึกเหล่านั้นมีแต่ไม่รุนแรงจนถึงกับเปรียดเบียนทำลายล้างแต่ถ้าแรงขึ้นไปนั้นจะเห็นว่า คนเรามีความเห็นยังไงก็ต้องการให้คนอื่นเห็นอย่างอย่างเดียวกับที่ตนเห็นลนักษณะความอยากให้คนอื่นเห็นร่วมกับตนนั้นก็คืออาการของโลภะแสดงว่าโมฆะคือความลงนี่เองเป็นเหตุให้เกิดโลภะบางครังความคิดความเห็นของตนก็ผิดแต่ยังอยากให้คนอื่นเห็นร่วมกับตน อย่างที่โบราณท่านเล่าถึงเรื่องสุนัข ก, กิงจอกหางด้วนที่ตัวเองมีความประมาทพลาดพรั้งประส บ, บอันตรายจนต้อ ง, งหางด้วนแล้วก็พยายามจะชี้นําคนอื่นให้ตัดหางเช่นเดียวกับตนด้วยนั้นแสดงให้เห็นถึงว่าความคิดเดิมนั้นเป็นโมหะคือความโลภแต่พยายามที่ชวนคนอื่นให้เป็นอย่างที่ตนเป็นก็คือความโลภ เมื่อคนอื่นไม่ยอมคล้อยตามไม่ยอมปฏิบัติตามมีการคัดค้านก็เกิดเป็นโทสะคือความโกรธจุดเริ่มต้นมันก็เป็นความเป็นความหลงแต่ขยายตัวเองออกปเป็นความโลภเป็นความโกรธในความเห็นเรื่องอื่นๆก็จะมีลักษณะอย่างนั้นพื้นเกตแม่ในชีวิตของเราในครอบครัวของเราบางครั้งก็ทะเลาะกันเองระหว่างสามีพันยาพ่อแม่ลูกพอไรพ่อมีความเห็นอย่างนี้แม่มีความเห็นอย่างนี้ บาทีสองสามีปัญญาทะเลาะกันเพราะความเห็นไม่ตรงกันแต่ถามทําไมต้องทะเลาะกันเพราะแต่และฝ่ววายนั้นอยากให้ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นเช่นเดียวกับตนเห็นมือฝ่ายหนึ่งไม่ยอมรับก็เกิดโทสะได้กันตั้งสอฝ่ายแต่อาจจะต้องหาแนวรูปมาจากลูกคือทั้งสองฝ่ายอาจจะพยายามให้ลูกเห็นตามตนพอลูกเห็นรู้ก็เกิดดีใจชอบใจลูกคนนั้น ก็เป็นอาการของโลภะเพราะลูกไม่รด้วเกิดโทสะเองซึ่งจะเห็นได้ว่าวิเลสแต่ละข้อ น, นั้นไม่ว่าจะเริ่มจากจุดใดก็าตามก็กำลังจะแตกกิงการสาขาออกไปเป็นกิเลสประเภทอื่นซึ่งมีความเชื่อมโยงถึงกันอยู่เพราะแนวธรรมะปฏิบัติเนื่องจากเกีนกิเลสประเภทโมหะ ซึ่งตรงกันข้ามกับปัญญาซึ่งเป็นแสงสว่างโมหะนั้นเป็นความมืดคําสอนในแนวนี้จึงเป็นการสอนให้บุคคลพยายามมองให้เห็นทังความจริงพิโกให้เกิดเป็นความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาหรือเป็นตัวเป็นตนได้ศึกษากระบวนการชีวิต นแนวของวิปัสสนาที่มีการแยกเขาเรียกว่าแยกร่างกายออกเป็นขันร่างกายทั้งหมดแรกเกาะกลุ่มเป็นดินลนะเป็ น, เ ป, นเป็นรูปเวทนาสัญญาทังขารวิญญาณคือแสดงเห็นว่าความเป็นชีวิตนั้นคือการเกาะกลุ่มของดินน้ำของของดินน้ําลงพอยอากาศวิญญาณแล้วกาะขึ้นมาเป็นขันต่างหากประการ จริงๆแล้วก็คือการเกาะคุมของท่านแต่ท่านเหล่านี้เมื่อแยกจ้อยออกไปมันก็สักเตวะท่านเมื่อต้นเดิมมันเป็นสักษษษษษเตวะท่านพอเกาะคุมเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็กลายเป็นนามกับรูประวางนามกับรูปนั้นพอแยกกันไปนนิดเดียวก็มีปัญหาแล้วเช่นรูปร่างกายที่ไม่มีวิญญาณเขาเรียกว่าศพ เรียกว่าผีเรียกว่าซากกสุขก็แล้วแต่จะเรียกระดับไหนและจิตวิญญาณที่ไม่มีรูปมันก็กลายเป็นเจตพูดเป็นผีอะไรก็แล้วแต่จะเรียกกันแสดงว่าควาจริงความเป็นเราหรือเป็นเขาหรือว่าเป็นคนเป็นสัตว์นั้นไม่มีอยู่โดยสภาพมันมีโดยการรวมตัวกันโดยการสมมติบัญญตัต แต่ไม่มีโดยสภาพตีวแท้จริงเพราะฉนั้แนวเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็คือการพยายามที่จะถ่ายถอนความรู้สึกเป็นเราแต่เริ่มเรียนรู้มาจากความรู้สึกไม่เป็นของเราเพราะค่อนข้างจะเรียนได้ง่ายกว่าเนื่องจากความเป็นเรามันติดเรามาตั้งแต่เกิดถอนยาก วันถอนความเป็นของเราไปก่อนซึ่งในสารสนทังหลาเยเห็นว่าแนวของพระเจ้าก็เริ่มจากการให้ทานในการสงเคราะห์กันก่อนเอาสงเคราะห์คือหมายความมาของเรานั่นแหละแต่สามารถแบ่งให้คนอื่นได้การแบ่งให้คนอื่นได้นั้นเป็นการขจัดกิเลสทั้งโลภะทั้งโทสะทั้งโมฆะเช่นการประรกให้ทาน เราจะปรบเรื่องอะไรก็ได้คือเริ่มต้นในจุดไหนก็ได้เช่นเช่นคิดง่ายๆว่าวบริโภคคนเดียวไม่ได้สุขก็ขอให้เกิดมีความมีน้ำใจอกอ้อมอารีเอื้อเพื่อเผื่อแผ่แบ่งกันกินแบ่งกันใช้สิ่งที่เราแบ่งการที่เราแบ่งออกไปได้นั้นแสดงว่าเราต้องไม่หวงในสิ่งนั้นหมายความว่าต้องลดความโลภในสิ่งนั้นออกไปได้แต่ยังลดไม่ได้เราก็แจกแบ่งไม่ได้ แต่การแบ่งนั้นเราแบ่งให้แกคนอื่นแกสัตว์อื่นถ้าเรายังโกรธยังเกลียดคนนั้นสัตว์นั้นอยู่หรือยังมองเป็นพวกเขาที่คนข้างรุนแรงเนเราจะไม่ให้ต้นแสดงให้เห็นว่าในกระบวนการให้ที่เรียกว่าทานจะแนวสงเคราะห์นกเคราะอกโอารีเพื่อเผื่ อ, อแผ่ธรรมดาธรรมดาศีลธรร ม, รมธรรมดา มันเรได้ทั้งโลภะทั้งโทสะทั้งโมหะโมหะนั้นก็คือการมองเห็นประโยชน์ของการแจกแบ่งการสงเคราะห์นั่งเราะ์กันโลภะก็คือการขาจัดความหวงในสิ่งที่เราให้โทสะก็คือไม่โกรธในคนที่เราให้แสดงให้ทานแต่ละครั้งมันก็จะได้ทั้งโลภะทั้งโทสะทั้งโมหะ เพาแนวหล่อนี้จึงบางครั้งเราจะไม่พูดถึงเรื่องกิเลสอะไรเลยแต่จะพูดเฉพาะกลุ่มของธรรมะที่จะนำมาปฏิบัติไม่ต้องใช้สติสัมปชัญญะอะไรลึกซึ้งอะไรก็ปฏิบัติไปธรรมดาเพราะสิ่งจะทำหน้าที่กำจัดกิเลสนั้นเป็นเรื่องของปริมาณธรรมะที่มันเพิ่มขึ้นปริมาณธรรมะที่เพิ่มขึ้นนั่นเองกิเลสก็จะลดลงไป แต่ในขณะเดียวกันเนื่องจากมันเกี่ยวกับคนคือเกี่ยวกับตัวกับตนกับเรากับเขาอยู่เราอา จ, จะไม่พูดกิเลสประเภทเราอาจจะไม่พูดธรรมะประเภทปัญญาซึ่งทาหน้าที่ขจัดได้เร า, า จ, จะพูดถึงการเจริญเมตตาเมตตาในตักคนมันจะคุมความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาไว้ไม่ให้รุนแรง จึงเห็นว่าระดับศีลเป็นการมองเขามองเราโดยการยอมรับนับถือสิทธิในชีวิตของการละกันถามว่ายัางเป็นเราเป็นเขาไหมบอกว่ายัางเป็นเราเป็นเขามีความรุนแรงไหมไม่รุนแรงเพราะว่าจะมีการสํารวจระวังเวลาเกี่ยวข้องกับชีวิตคนอื่นไม่เกิดเป็นการทําลายสวัสดิภาพความสงบสุขของบุคคลนั้นๆด้วยพลังของเมตตานี่ จะ เ, เกิดขึ้นมีความรู้สึกร่วมกันอาจจะรู้สึกว่าเป็นเพื่อนร่วมโลกกันเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเป็นวงศาคณะญาติการเป็นชาติเดียวกันศาสนาเดียวกันก็แล้วแต่จะเชื่อเพราะาจุดเชื่อมันมีอยู่มากความรู้สึกเหล่านี้เองจะทำหนะ้าที่การจัดความโลกเพราะฉะนนคนที่เรารักเราเมตตาเราจึงสงเคราะห์เาด เราไม่หวงของที่เราจะให้เขาในขณะเดียวกันตัวเขาเราก็ไม่โกรธเพราะเรามีเมตตาอย่านี้เคยยกตัวอย่างมาว่าธรรมะบางข้อที่ทรงแสดงเดียวๆมาความว่าเรื่ออื่นไม่ต้องพูดเอาตรงนี้ปฏิบัติให้สมบูรณ์แล้วกันและอย่างอื่นธรรมะข้อนี้ก็จะสร้างให้เองพูดถึงเมตตาเป็นธรรมข้ามจุนโลก พูถึงปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกผู้ถึงสติเป็นธรรมเครื่องตื่นในโลกซุ่นท่นสาธชนตั้งหลาเห็นว่าทั้งหมดนี้คือพุทธคุณเป็นคุณธรรมที่มีสมบูรณ์ภายในพระไทยของพระพุทธเจ้าพระเจ้าทรงมีสติปัญญาสมบูรณ์แต่เราเรียวกว่าปัญญาเครื่องตัสรู้ มีสติวิปุโลคือมีสติสมบูรณ์ไม่มีคำ อ, อ้อเผือหรือพลังพลาดตรงหรือกับคนอื่นสัตว์อื่นทรงมีเมตตากรุณาที่สมบูรณ์พัะธ ร, รมะนี้จึงเริ่มต้นมาจากการปฏิบัติในชีวิตประจํำวันของเราอาจจะเริ่มจากปัญญาหรืออาจจะเริ่มจากเมตตาหรืออาจจะเริ่มจากการุณาแต่ตามปกติแล้วกรุณานีจะเกิดยากในการปฏิบัติ ถ้าคนเราไม่มีเมตตาจริงๆเราจะเกิดกรุณาไม่ได้ถ้าเกิดได้จะเป็นตกใจเป็นความสุขเป็นความสงสารเห็นว่าเขาเกิดอุบัติเหตุตายกันมากๆเราก็รู้สึกสลดตดรู้รู้สึกสงสารถ้าเห็นว่าอาการเหล่านั้นเราเป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่อาการนริพพานะแต่เป็นอาการของโสกะคือความสุข ถ้าเป็นการุณานั้นจะเป็นอาการที่ใจมีความเยึกเย็นถ้าโอบอุ้มช่วยเหลือขจัดทุกขจัดภัยที่เกิดขึ้นแก่คนหล่นนั้นยังทำอะไรไม่ได้ก็ตั้งใจใหเห็นเห็นเขาหลุดรอดจากความทุกข์แต่เนื่องจากภายในใจคนมันมีวิหิงสาคือความเบียดเบียนอยู่แต่เราขาดเมตตาที่เป็นพื้นฐานมาก่อนทำได้ยาก หลังการิบัติจึงทรงสอนในลักษณะคล้ายๆขึ้นบันไดที่ทรงใช้คนว่ามีการศึกษาโดยลำดับมีการปฏิบัติโดยลำดับมีการบรรลุโดยลำดับทานองคล้ายๆกับเราเดินลงทะเลหรือเดินขึ้นภูเขาทะเลจะมีการลาดลุ่มลึกลงไปโดยลำดับภูเขาจะมีการสูงขึ้นไปโดยลำดับ แต่การสูงนั้นเกิดขึ้นจากการพยายามก้าวเราไปถ้าก้าวได้เร็วก้าวได้มากก็ขึ้นสู่ที่สูงได้เร็วหรือสู่ที่ลึกได้เร็วเพราะเราจะพูดในแนวสูงรืะแนวลึกก็ได้แต่หมายความว่าเป็นไปตามลำดับขั้นตอนสามารถก็จะเดินก็ได้เพราะงั้นเราจึงพบว่าพระเจ้าไม่ได้เรียงการุณาไว้หน้าเมตตาเพราะถ้าเรียงแล้วในภาคปฏิบัติจะปฏิบัติยา แต่ถ้าเราเมตตาได้แล้วการุณาก็เดินได้มุติตาก็ได้อุเบขาก็ได้สำหรับคนที่เราเมตตาแต่เองสังเกตว่าถ้าคนนั้นเราไม่เมตตาไม่สนิทสนมคุค้นเคยยิ่งมุติตายิ่งทำยากใหญ่ธรรมะเหล่านี้ยึงเป็นแต่ละข้อของบุ์ธรรมเป็นสรรมถะก็ได้เป็นปััชนาก็ได้หรือเป็นธรรมะ พวกก็เรียกศีลธรรมจัญญา ก, ก็ได้เมื่อเราปฏิบัติเพิ่มขึ้นมันจะลดตัวสักยะทิฏฐิอย่างน้อยก็คิดหมู่บ้านเดียวกันตำบลเดียวกันอำเภอเดียวกันมันก็มีเรามีเขาแต่ว่ามันก็ลดน้อยถอยลงไปโดยลำรับสังโยกข้อที่สองที่เรียกว่าความเคลือบแคงสงสัยคือวิจิกิจฉา ทั้งาจนทั้งหลายสี่โรติจิคิชาก็คือโมหะคือรู้ไม่จริงไม่แน่ใจตัดสินใจไม่ได้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรกันแน่และสงสัยใ ห, ใหญ่จะเป็นปัญหามากคือสงสัยในเรื่องพรรัลตนาไตรสงสัยในเรื่องหัวใจสิกขาโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือสงสัยในพระคุณของพระพุทธเจ้า แม้เพียงข้อเดียวนะจะเกิดอาการชะงักงันทันทีคือเดินไปไม่ได้พอเ่าเกิดสงสัยเราก็ดิ้นรนเพื่ออยากรู้ลักษณะความอยากรู้นั่นเองก็เป็นอาการของโลภะทีนี้ถ้ายังไม่รู้คิดมากก็หงุดหงิดก็เป็นอาการของโทสะเราแสดงเห็นว่าความสงสัยนั่นเองก็เป็นได้ทั้งโลภะทั้งโทสะ ทัทง้งๆที่ตัวเขาเป็นโมฆะคือพร้อมจะแปลสภาพได้ทันทีหากว่าขาดหลักธรรมะเป็นฐานใจแต่ทีนี้เรื่องของความสงสัยนั้นถ้าหากาเราจับธรรมะ ข, ข้อใดข้อหนึ่งเป็นฐานเอาไว้เขาก็จะลดได้ทั้งโลระโทสะโมหาเช่นเดียวกันเช่นตัวอย่างเราอาจจะเริ่มที่ศรัทธา ที่มีความสมเหตุสมผลเป็นวัตถุเป็นบุคคลที่ควรแก่การเชื่อถือจริงๆได้ความมั่นใจได้ไปเชื่อตรงนี้ปฏิบัติไปตามนี้แล้วจะไม่มีปัญหาเราอาจจะมีความสงสัยในเรื่องนั้นๆอยู่แต่เราก็มีความเชื่อมั่นในคนที่เราศรัทธาจะได้ยกตัวอย่างเอาไว้ว่าเราอาจจะไม่แน่ใจในตัวยาที่หมอให้มา แต่เราก็เชื่อหมอมารับประทานยาเข้าไปเมื่อยาให้ผลความเชื่อจะเกิดขึ้นทั้งแก่หมอและแก่ยาซึ่งก็หมายความว่าเมื่อถึงโอกาสหนึ่งเนี่ยเราอาจจะไปซื้ อ, อยามารับประทานเองได้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องให้หมอสั่งให้ นันแสดงความเชื่อมันเป็นกระบวนแล้วมันเป็นทั้งตัวหมอทั้งตัวยาแล้วก็ตัวเราซึ่งได้รับผลมาจากยานั้นรดยยานั้นเองก็เกิดมาจากคุณหมอที่เา้าตรวจโรคแล้วก็สั่งมาให้ก็จะมองเห็นเป็นกระบวนการว่าถ้าครบบททั้งสามมันก็มั่นคงถ้านองใกล้ๆกับเราเชื่อในตัวคำสอนที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาหรือถ้าเราเชื่อในพระพุทธเจ้า เชื่อในพระธรรมเชื่อในพระสงฆ์ก็จะทำให้น้อมนำศีลสมาธิปัญญามาปฏิบัติแต่เมื่อปฏิบัติไปแล้วเนี่ยความเชื่อเต็มที่จะอยู่กับที่มันจะเพิ่มขึ้นทั้งในระพธจาพระธรรมพระสงฆ์และตัวใจติขาเองตลอดทั้งในตัวเราเองนัก่ก็ในที่สุดก็จะช่วยกันการายกันให้ยกระดับจิต ให้สูงขึ้นโดยลาดับเพรา ะ, ะนั้นศรัทธาที่บังเกิดขึ้นในตอนแรกก็จะทำหน้าที่ขจัดความเคลื่อแปรงสงสัยออกไปเมื่อความเคลื่อนแปรงสงสัยออกไปในตัววัตถุสิ่งของซึ่งเราเชื่อพระพุทธเจ้า เยวันทัพย์สบัดเอาติดตัวไปไม่ได้แต่ใความพุทธภาสิทธตที่ว่าบุคคลเราที่เกิดมาแล้วจะต้องตายเป็นธรรมดานั้นทําบุญหรือบาปตั้งสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งไว้ในโลกนี้บุญและบาปนั้นจะเป็นของของบุคคลนั้นบุญและบาปนั้นจะติดตัวบุคคลนั้นไปเหมือนเงาที่ติดตามบุคคลนั้นไปเราเชื่อ กระทำให้เราพร้อมที่จะไปเสียสละวัตถุสิ่งของที่เป็นสมบัตินอกกาย <c oughs> เพื่อทำเป็นบุญในที่กุมทรัพย์คือบุญซึ่งสามารถติดตามตนไปได้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เราไม่ได้ใช้ปัญญาตรนนี้เราใช้ศรัทธาแล้วก็ทำหน้าที่กาจัดโลภะในขณะเดียวกันคนที่เราให้เรา ส, เราสงเคราะห์เราบูชาอะไรก็ตาม แสดงว่าเราต้องไม่โกรธเขาถ้าเราโกรธเขาเราก็ให้ไม่ได้นั่นแสดงว่าศรัทธาเองก็ทําหน้าที่ก็จัดโมหะก็จัดโลภะก็จัดโทสะเพื่อจะได้มากน้อยมันก็อยู่ที่กําลังของศรัทธาที่มีการเพิ่มขึ้นตรงนี้ท่านจะเห็นว่าเป็นโมหะแต่เราเริ่มที่ธรรมะคือศรัทธาก็ได้เริ่มที่ปัญญาก็ได้ เร็นที่เมตตก็ได้เช่นเดียวกันธรรมะจึงมีลักษณะเป็นเหมือนก็กดกระด่างที่ทำหน้าที่ขจัดสิ่งที่ตรงกันข้ามกับตนให้สิ่งนั้นมีความสะอาดปากิ่งขึ้นโดยไม่จำเป็นจะต้องพูดอะไรก็ได้ต้องให้แค่เราซักผ้าเราก็ใส่ผงซักผ้าลงไป ไอ้ผ้าที่สกปลกก็ไม่จำเป็นจะต้องไปดูอะไรมันเพราะว่าสิ่เหานี้จะทำหน้าที่ขจัดไปเองไปดูตอนหลังก็คือดูสะอาดหมดจดหรือเปล่าแต่แน่นอนก่อนที่จะซักผ้าเราก็ต้องรู้ว่าผ้าสกปรกจึงต้องซักแต่การสอนในแนวให้ตรวจ ด, ดูจิตใจเวลาประสบอารมณ์ พอมีกิเลสหรือสังโยชน์เขาใดเขาหนึ่นเกิดขึ้นหรือไม่ก็ต้องมาเห็นความสปกปรกเพราะาใจยังไม่ยอมรับว่าสิ่งนั้นไม่สะอาดสิ่งนั้นสปกปรกสิ่งนั้นเป็นโทษแล้วความคิดิยาซักข้อความคิดิยขาขัดเกลวความคิดิยขาขจัดมันเกิดขึ้นไม่ได้แนวนี้จึงทรงสอนในแนวที่ให้บุคคลเพิ่มสติ เพิ่มสัมปชัญญะเพิ่มความเพียรในการลดละกิเลสทั้งหลายคือไม่ใช่เรื่องของการป้องกันหมายความอารมณ์ก็เกิดแล้วเห็นรูปแล้วเกิดสังโยชน์แล้วฟังเสียงแล้วเกิดสังโยชน์ก็ดายขด่งขึ้นมาแล้วเราจะพูดในกรณีที่เกิดกิเลสไม่จะพูดกรณีของการเกิดธรรมะ เมื่อมองเห็นกิเลสไม่ว่าจะเป็นข้อใดก็ตามคือการเกิดแล้ไม่ได้เกิดตามลำดับที่เรียงอย่างนั้นมันเกิดโดยพื้นอัธยาสัยคนนี่เป็นหลักหมายความจิตใจเราอ่อนไหวในจุดใดเนียกิเลสกลุ่มนั้นก็จะเกิดขึ้นมาตอนคนบางทีโลภจัดจนแก่เท่าอย่างโลภจัดบางทีโกรธจัดแก่เท่าไปแล้วก็ยังโกรธจัด แสดงว่าการรับรู้อารมณ์ในแต่ละวันจิตใจเขาไวต่อโลภะไวต่อโกรธสะไวต่อโมฆะแต่คนใจดียิ่งมากยิ่งยิ่งนานยิ่งใจดีจะ แ, แสดงว่าเวลากระทบอารมณ์ที่ผ่านมาภายในใจมีคุณธรรมเป็นฐานใจมีสติสัมปชัญญะเป็นเครื่องเลืกรู้ เห็นว่าเป็นกิเลสท่านก็กจัดออกไปเพราะการเพิ่มมากกิเลสถึงเพิ่มด้น้อยท่านยินดีที่จะรับเฉพาะส่วนของธรรมะทำให้คุณภาพในด้านจิตใจของท่านมีความสงบขึ้นประนีตขึ้นจิตใจมีความมั่นคงมากจริงจริงลักษณะของสังโยชน์แต่ละข้อ ว่าที่กล่าวมาแล้วหรือที่ยังไม่ได้กล่าวก็ตามแต่เน้นว่าเวลากเกิดแกก็เกิดประเด็นสําคัญในทีนี้คงโสในรูปของการระลึกรู้ทันทีในขณะนั้นนั้นมันเหมือนกับสิ่งอะไรที่จะเข้าตาหรือกลิ่นอะไรที่จะเข้าจมูกถ้าเราระลึกรู้ทัน มันจะเข้าไปได้ก็นิดหน่อยสมมติจะเป็นอันตรายกว่าอันตรายไม่บ้างแต่ถ้าความรู้เท่าทันไม่เกิดขึ้นสัมพันธ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆโอกาสที่จะเพิ่มปริมาณของกิเลสเพิ่มความรุนแรงขึ้นไปในจิตก็มีได้ไง่าย สมะปฏิบัติแนวนี้จึงเป็นเรื่องของการใช้สติสัมจัญญะความเพียนในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะอยู่ในเรียบบทใดก็ตามอยู่ในที่ใดก็ตามถ้าคุณธรรมทั้งสามนี้เป็นฐานใจอยู่ได้แล้วก็สามารถระลึกรู้เห็นตามความเป็นจริงในกรณีที่เป็นสังโยชน์ก็มีกาลังพอที่จะลดละความรุนแรง ม, มีกำลังน้อยถอยลงไปใจก็จะได้ความสงบเยือกเย็นเพิ่มขึ้นตามลำดับตอนนี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป